ก่อนอื่นกล่าวกับผมขอกราบสมเด็จพระวรนรัตและพระเถรานุเถระแล้วก็ขออภัยจากทูลกระหม่อมและคณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าวันนี้อาตมาภาพไม่พลาดคิดว่าจะได้ขึ้นมาทมาํามกมาแสดงธรรมเพราะว่า จังหวัดอุดรพร้อมกับ6จังหวัดได้ร่วมกันเพื่อจะรวบรวมจตุ ป, ปัจจัยเพื่อถวายแก่องค์ทสมเด็จพระสังฆราชเพื่อสมทบเครื่องมือแพทย์ก็ได้เชิญกล่าวบรรณาเจ้าพวกคุณสมเด็จพระวรนรัตน์มาเป็นประธานปล่ายสงฆ์แล้วก็ทูลเชิญทูลกระหมอ่อม ฝ่ายหญิงมาเป็นฝ่ายคารวะกับผมเองในฐานะเป็นเจ้าของท้องถิ่นเป็นผู้ถวายจะตุปัจจัยขอเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นผู้มารับก็สมควรอย่างยิ่งที่เจ้าพวกคุณสมเด็จจะได้กล่าวสัมโธธนิยกถาเพื่อให้แก่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับทราบแต่พอท่านเจ้าพวกคุณสมเด็จ ท่านมาถึงท่านก็มีพระบัญชาบอกว่าให้ท่านพระอาจารย์อินถวายเป็นองค์แสดงธรรมเพราะอยู่ในท้องถิ่นเพราะเป็นลูกศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาถ้าเมื่อพระองค์ท่านมีพระบัญชามาอย่างนี้อาตมาภาพก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะนั้นยังขออภัยในการแสดงธรรมโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่ง อาตมาภาพเคยพูดตั้งแต่สมัยเมื่อองค์หลวงตาล่วงลับดับขันที่แสดงธรรมก็ได้ออกตัวไว้ว่ากระผมเองเป็นพระป่ามาทั้งรุ่นเพราะนั้นจะได้ใช้สับแสงภาษาให้สละสลวยเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าก็คงจะทำอย่างนั้นได้ยากเพราะนั้นจึงขออาภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วย นะโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม huh. พุทธัสสะนะโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะรลโลกตสมิงปฏติฐาโหนติ ปานิยันติติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งมีทั้งสามสถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติก็คือพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมกันแสดงออกขึ้น มุทิตาส ก, การะที่จะน้อมถวายผ้าป่ามหาพุศนในครั้งนี้ส่วนศาสนาก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นประธานสมเด็จพระวรนรัตเป็นประธานสงฆ์มีเจ้าพระคุณเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดทุกระดับมีพระสงฆ์มากมายที่มานั่งร่วมรวมกันเพื่อแสดงออกซึ่งน้ําจิตน้ําใจ อันนี้ก็คือศาสนาส่วนพระมหากษัตริย์คือทูลกระหม่อมพระลูกเจ้าเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชสุมารีทรงพระคุณานำพระศกนิกรชาวไทยมาสร้างมหาคุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อเทอิดพระเกียรติร้อยพระสันสาสมเด็จพระยาณสังบอสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานถวายผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพระโขนงพลพโยหะเสนาจังหวัดกาญจนบุรีในวันนี้คณะสงฆ์หกจังหวัดน้องคายจังหวัดน้องคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครน้องบัวลำหูจังหวัดเลยและมีหัวหน้าผู้วาราชการจังหวัดทุกจังหวัดมีท่านผู้ว่า พร้อมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการทุกหมู่เหล่ามีความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งอย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรได้รายงานไปแล้วนั้นและคณะสิทธิานุสิทธิขององค์หลวงตาฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายลูกหลานศรัทธาญาติโยมขององค์หลวงตาก็ยินดีพอใจเป็นอย่างยิ่งไ ด, ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ถือว่าได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา ต่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชผู้มีอายุร้อยพรรษาพระองค์ท่านก็เป็นผู้รู้กันในบรรดาสิทธิานุสิทธิ์ขององค์หลวงตากระผมเองสมัยเข้ามาศึกษากับองค์หลวงตาณนะวัดป่าบรรตาแห่งนี้ตั้งแต่ปีพศ .2512 ก็ได้เห็นเจ้าพระคุณสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกคนมหาสังฆปรินายกสมัยนั้นพระองค์ทรงพระองค์ท่านได้ทรงสมณศักด์เป็นศาสนาโสพลพระศาสนาโสพลในสมัยนั้นพระองค์มาหลายครั้งและพักค้างคืนที่วัดป่าบ้านตาพระฝรั่งทุกรูปที่อยู่วัดป่าบ้านตาล้วนแต่เจ้าพระคุณสมเด็จเป็นพระอุปชายยะนับแต่ท่านปัญญาวัฒโธ ท่านพระอาจารย์เชอรี่ท่านพระอาจารย์ดิกและพระฝรัง่งหลายโรปที่เจ้าพระคุณสมเด็จเป็นพระอุปชายยะเจ้าพระคุณสมเด็จเสมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ของสิทธิอนุสิ์ขององค์หลวงตาพวกเราถือองค์หลวงตาเป็นพ่อแม่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นที่เคารพลูกลูกหลวงตาผู้เป็นพ่อพาเคารพลูกลกที่ดีทั้งหลาย ก็ต้องเคารพตามพ่อเมื่อพระเจ้าพระคุณสมเดจมีปัญหาองค์หลวงตาก็เข้าไปรับทราบเมื่อทุกก็ทุกด้วยเมื่อสุกก็สุกด้วยหลวงตาจงรักพัดดีเป็นพระสหายและเป็นสหายธรรมอายุของพระองค์ก็ห่างกันไม่กี่เดือนพวกเราคณะสิทธิ์ทั้งหลายจึงถือเป็นเกียรติและเป็นศักดิ์ศรีอย่างยิ่งที่ได้จัดงานสนอง พระเดชพระคุณในครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติและเป็นศักดิ์ศรีแก่คณะสิทธิอนุสิ์ขององคหลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านก็ได้ให้ความสําคัญสาธารณประโยชน์องค์หลวงตาของเราท่านให้ความสําคัญในสาธารณประโยชน์ไม่แพ้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเพราะองค์หลวงตาของเราได้ช่วยเครื่องมือแพทย์ตึกที่โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี เพิ่งเปิดใช้เมื่อไม่นานมานี้อันนี้ก็ตึกสิบชั้นสองห้าสเตียงและก็เครื่องมือในโรงพยาบาลต่างๆองค์หลวงตาก็ได้ช่วยเป็นโดยสม่ำเสมอเมื่อท่านยังทรงทาตทสงขันอยู่แล้วก็โรงเรียนสาธารณประโยชน์นับไม่ถ้วนยิ่งใหญ่ที่สุดขององคหลวงตาก็คือคราวบ้านเมืองประเทศจะล่มจมองหลวงตาเราได้ออกมาช่วยชาติ หาทองคำเข้าคลังหลวงได้ถึง13ามตันกว่ากว่าสิามตันเ็จเศษดอลล่าร์สิบล้านกว่าดอลล่าร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยเดี๋ยวนี้ก็ไม่น่าจะต่ำกว่าสี่หมื่นกว่าล้านบาทนับว่าพ่อแม่ครูอาจารย์องค์ลวงตาของเราทำคุณูปการให้แก่ประเทศชาติเป็นอเนกอันันต์ให้ธรรมะอบรมสั่งสอนต่อโลกหลานพี่น้องประชาชนให้เป็นคนดีของชาติ ก็มีคุนอุปการมหาศาลอยู่แล้วครั้งนี้องค์หลวงตาของพวกเราได้จากไปแต่เจ้าพระคุณสมเด็จท่านที่เป็นสจหายธรรมท่านเขายังทรงท้าท์ทรงขันอยู่แล้วก็คณะสิทธิานุสิทธิ์ได้ร่วมกันมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรนรัตน์ปราบว่าสมควรที่จะทอดผ้าป่า มหาพุชนเพื่อถมทุนซื้อเครื่องมือจึงเสนอมาทางจังหวัดอุดร อ, อัตมาภาพในฐานะสิทธิานุสิทธิขององค์หลวงตาพร้อมที่จะน้อมรับที่จะซื้อเครื่องมือถวายหรือซื้อเครื่องมือมอบให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นบ้านเรือมาตุภูมิของพระองค์คือบ้านเกิดของเจักรุณสมเด็จ กับพร้อมกันองค์หลงตาก็มีแนวมีแนวโน้อมอย่างนี้อยู่แล้วคือองค์หลงตาของเราถ้าว่าเรื่องสาธารณประโยชน์แล้วหลวงตาเองให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเมื่อองค์หลงตามีพินัยกรรมเอาไว้ว่าเมื่อเราผ่านไปแล้วเมื่อเรามรรณะภาพไปแล้วเงินพี่น้องประชาชนที่มาทมําบุญกับงานศพของเราให้นําเงินทั้งหลายทั้งมวล เอาไปซื้อทองคำเข้าคังหลวงทั้งหมดอย่านำมาใช้ในงานศพของเรางานศพของเราให้เอาฟืนเท่านั้นแหละเผาอันนีค้คือคำสั่งของตาอย่างเด็ดขาดในพี่นายกเพียงแค่นี้พวกเราท่านทั้งหลายรู้แล้วว่าองค์หลวงตาเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มองชุมชนและสังคมเป็นผู้มองจากจะช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกทนคณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าขอให้มองประเทศชาติเหมือนกระองหลวงตาถึงจะไม่มองเต็มร้อเหมือนององหลวงตาแต่ก็ให้มองในความช่วยช่วยกันพยุงประเทศชาติอย่าไปเห็นประเทศชาติเป็นผลเป็นปลาหรือว่าเป็นของอาหารโอชะให้ช่วยช่วยกันพยุง สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านกนัททาญาโยมทุกหมู่ทุกเหล่าให้ช่วยกันพยุงอย่างที่เจ้าพระคุณสมเด็จหรือว่าเจ้าพระคุณพวันนรัตน์ที่ท่านออกมาประกาศให้พวกเราเจ้าคณะภาคแปและคณะสงฆ์หกจังหวัดให้ช่วยกันทอดผ้าป่าสามัคคีอันนี้ก็คือเป็นการช่วยเหลือชุมชนและสังคม ไม่ได้ใช่ให้แกบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าหากว่าพวกเราท่านทั้งหลายไปเก็บไข้ได้ป่วยที่การจะนะ บ, บุรีพวกเราก็จะได้เข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เป็นของพวกเราทุกๆคนไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดอันนี้คือสาธารณประโยชน์พวกเราท่านทั้งหลายได้ทำบุญสาธารณประโยชน์กระผมเองอาตมาภาพเองหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าบุญกุศลที่เกิดจากการทาสาธารณประโยชน์นี้ จะเป็นเครืองเกื่อกปลหนุนให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญและก็พร้อมกันในพรรษานี้พวกเราจาเข้าพรรษามาปี2555ิวันนี้เป็นวันเข้าพรรษามาวันที่8วันนี้เป็นวันที่ส0บเป็นอันว่าเราเข้าพรรษามาได้8วันใน8วันในไม่สายเกินไปอาตมาภาพอยากจะขอร้องคณะสัตยาติยมทุกหมู่เหล่า ที่นั่งอยู่ณนะที่นี่ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนหรือว่าไม่ใช่พุทธศาสนิกชนก็เถอะแต่ให้พวกเราทําคุณงามความดีในสามเดือนนี้พวกเราควรจะทําอย่างไรอันดับแรกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายพอมาถึงแล้วก็ได้อารัธนาศินอาตมาภาพก็ได้ให้สิลข้อที่หนึ่งถึงถึงข้อที่ห้าสินศีลธรรมของพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์พระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปว่าศีลและธรรมของเราจถาคตดศีลห้านี่แหละถ้าหากว่าผู้ใดรักษาดีแล้วรักษาดีผู้นั้นจะไม่ตกนรกจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์ฉ า, านดจะไม่เป็นเปรตจะไม่เกิดเป็นคนพิกลพิการจะเป็นคนที่มีฐานะหรือมีสติปัญญาจากนั้นก็ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ เพราะนั้นสินและธรรมของ พ, Your, พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ยืนยันอย่างนั้นอย่างที่ท้ายศีนว่าสีเลนะสุขติงยันติผู้จะไปสู่สุขติได้เพราะสิลสีเลนะโภคสัมปทาผู้ที่จะไปสู่ผู้ที่จะมีโภคสมบัติได้เพราะสินสีเลนะนิพุติงยันติผู้จะไปสู่นิพพานได้เพราะสินเพราะนั้นศินและธรรมของศินห้าของพระพุทธเจ้าอย่ามองข้าม ถ้าหาว่าผู้ใดก็ท่านผู้ใดก็ตามถ้ามีศีลธรรมในยุคใดสมัยใดคนในยุคนั้นสมัยนั้นจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นผาสุขคือศีลข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเว ร, รมณีพวกเราอย่าฆ่ากันถ้าพวกเราคิดฆ่ากันไป น, นสถานที่ใดมิทีคิดฆ่ากันต่างคนก็ต่างพกพาอาวุธเพื่อเตรียมเพื่อจะถล่มกันพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันโลกทั้งโลกจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ไหม ถ้าว่าพวกเรามีสินจ้ทุกคนเป็นผู้มีศินไปณัดสถานที่ใดไปก็มีแต่ความเกื้อกูลหนุนกันมีเมตตาต่อกันรักสามัคคีซึ่งกันและกันไปเห็นกันก็มีอะไรคนทุกยากลําบากผู้มีฐานะก็ช่วยเหลือเหลือคนอยากจนคนยากจนก็เป็นผู้ทําการทํางานช่วยเหลือเกื้อกูลหนุนกันโลกทั้งโลกประเทศทั้งประเทศก็จะร่มเย็นเป็นสุขนี่แหละคือสินข้อที่หนึ่งถ้าว่าพวกเราคิดฆ่ากันแล้ว พวกเราจะหาความสงบพร่อมเงย็นเป็นสุขไม่ได้ในยุคสมัยนั้นอาทินนาทานก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเราไปนักสถานที่ใดมีแต่ขโมยโโจรเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันถ้าเราเขาไปขโมยของเขาเขามาขาโมยของเราเมื่อเขามาขโมยเราเราก็เสียใจยถ้าเราไปขโมยของเขาล่ะเขาก็เสียใจยเช่นเดียวกันเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลาย ดูสิว่าสินห้าของพระพุทธเจ้าสินข้อที่สองเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราไม่อยากจะได้ให้เขามาขาโมยเราอย่าเราไปทำให้เก็บกับเขาเขามาทำให้กับเรามันก็ต่างคนก็ต่างลำบากเพราะนั้นสินข้อที่สกาเมสุมิจฉาจาราวรัมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาก็รักสมวนห่วงเห็นของเขา ถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเช่นเดียวกันข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมาณีอย่าไปต้มตุนหลอกลวงโกหกเขาถ้าเราไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาทาให้กับเราเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นเราอย่าไปทำให้กับเขาเพราะเอาใจเขามาใจใจเราเช่นเดียวกัน สินข้อที่ห้าสุราเมรายาชมั ช, ช่ะประมาศ ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อเราดื่มสุราเข้าไปแล้วเมื่อเมาแล้วพวกเราทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะคนขาดสติฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าใครก็ได้ขับโมยใครก็ได้ ล, ลาบระรวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะคนขาดสติเพราะฉะนั้นศินศินห้าของพระพุทธเจ้าถ้าเรามาเรียงลําดับดูแล้ว ศิลปะของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าต่อชุมชนต่อสังคมต่อโลกเป็นอย่างมากตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ม า, าะฉนนั้นคนโบราณเวลามีพิธีกรรมอย่างนี้แหละจะมีพิธีกรรมอะไรท่านจึงให้สมาทานศิลอย่างน้อยก็ให้รักษาศิล์นในช่วงขณะหนึ่งชั่วช้างกระทบหูชั่วงงแลบเลงก็ยังเป็นศิลป์ยังมีศิลป์มีธรร ม, นมในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพระนักสัต า, าธิยอมในพรรษาอยู่เดี๋ยวนี้ ก็ไม่สายเกินไปถ้าพวกเราสมาทานศีลห้าข้าพเจ้าจะงดดื่มสุราในพรรษาข้าพเจ้าจะงดสูบบุหรี่ในพรรษาอย่างนี้เป็นตน้นก็จะเกิดประโยชน์แต่ถ้าหาว่าพวกเราพรรษาไหนก็พรรษานั้นเดือนไหนก็เดือนนั้นปีไหนก็ดึกปีนั้นผ่านไปเรื่อยๆพวกเราไม่ได้ประกอบคุณงามความดีอะไรเลยก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นขอให้พวกเราความศรัทธาญาติโยมทุกห ม, กหมู่ทุกเหล่า ที่ได้ยินทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อาตมาภาพได้นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวให้แก่พวกเราให้ฟังเพื่อเป็นการศึกษาและจริงไหมที่อาตมาภาพได้พูดออกไปนี้ก็ขอให้พวกเรานำมาคิดนำมาพิจารณาไต่ตรองเหตุและผลอันนี้คือศีลส่วนธรรมนั้นก็คือสมาธิสมาธิเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท่าน สมาธิคือพระพุทธเจ้าของเราเมื่ออายุของท่านได้29ปีครองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินชื่อจิตทธธัตถะจากนั้นพระองค์ได้ออกไปบวชอยู่ใน ป, าาใน ป, า ป, ปน่าศึกษาอยู่ในป่าถึง6ปีไปค้นคว้าศึกษาอยู่ในป่าถึงหปีที่ประเทศอินเดียที่พุทธคยาที่พวกเราได้ไปกลาวสถานที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้ในเมื่อพระองค์อยู่บําเพ็ญอยู่ถึงหปี ลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดในการภาวนาของพระองค์แต่วันเดือนหกเพ็ญวันนั้นเป็นวันสูตรสําเร็จพระองค์ได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณตอนหัวคำ่ำหรอกปุเพเนวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้เคาร์ลำลึกว่าชาติของพระองค์ที่แล้วมาจากไหนมาจากไหนมาเกิดออกจากนี้เราจะไปไหนอันนี้พระองค์รู้นะปุเพเนวาสานุสติญาณลาลึกชาติผลหลังได้ น, นี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเมื่อลลึกถึงเมื่อวานเมื่อวานมีไหมอาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนมีไหมแล้วก็ท่ามพบข้ามชาติชาติที่แล้วมีใหม่นี่แหละอันนี้ก็คือปุเพเน ว, วาสานุจติยานพอถึงเที่ยงคืนพระองค์ก็กําหนดตูพระไทยของพระองค์อีกวัุตูตตปปาต ย, ยานการจุติแล้วกัการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ท่านมองออกไปข้างนอกว่าคนนี้เกิดมาทําไมไม่เหมือนกันทําไมจึ ง, งโง่ทําไมจึงฉลาดทําไมจึงรวยทําไมจึงจนทําไมจึงพิก่งพิการทําไมจึงร่ํารวยต่างกันถึงมีสติปัญญาต่างกันพระพุทธองค์มองดูแล้วว่ากรรมคือการกระทําถ้าว่าใครทํากรรมไม่ดีไว้กรรมนั้นจะตามสนองอย่างพวกเราท่านทั้งหลายปัจจุบันนักรรมพวกเราเกิดมาแล้วขี้เกียจเรียนหนังสือเป็นเด็กเกเรเป็นคนไม่ดี แล้วจะได้สูงจะมีความรู้ความฉลาดจะเป็นคนมีความรู้ความฉลาดปราดเปรืองนั้นก็ไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเราทํากรรมแต่สมัยเราเป็นเด็กเราทํากรรมไม่ดีอันนี้พระพุทธองค์บอกว่าอดีตกรรมของแต่ละคนนั้นถ้าใครทํากรรมไม่ดีไว้กรรมไม่ดีจะตามติดตามของคนคนนั้นกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นคนเราเกิดมาเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านจะให้เหมือนกันเหมือนมนุษย์ เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะกรรมเป็นผู้จำแนกเพราะนั้น พ, พระพุทธองค์จึงตรัสว่ากรรมอย่าทำกรรมชั่วกรรมชั่วเมื่อทำไปแล้วจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังทั้งที่พระบาลีที่พระองค์พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าอากตังดุ ก, กตังเสยโยปัจชาตะปติดุ ก, กตังกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลัง นี่แหละรมคำสอนของพระพทุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือให้ทาแต่กรรมดีเพราะนั้นการพูดอาตมาภาาประยกพุทธภาิ์เบื้องต้นว่าบุญญานิปัลโล ก, กัดชมิงปฏิทาโหนติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัพพสัตทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหนาบุญคำว่าบุญคือความดีคือกรรมดี ถ้าพวกเราทำกรรมดีแล้วจะเป็นที่พึ่งของตนเองในพบนี้ถ้าคนทำกรรมดีมาตลอดไม่ทำความชั่วเสียหายกรรมดีนั้นก็จะตามสนองจนถึงอวสานของชีวิตแต่ถ้าพวกเราทากรรมไม่ดีทำบาปอากุศลกรรมไม่ดีกรรมที่ไม่ดีนั้นจะพาพวกเราไปสู่ความทุกข์ติดคุกติดตารางอย่างน้อยก็มีความทุกข์อกทุกข์ใจเพราะทากรรมที่ไม่ดีเอาไว้เพราะนั้น พระพุทธองค์ตรัสว่ากรรมปุญญานิปรลโล ก, กัตสมิงปฏิฐาโหรติบ้านที่นางนั้นคือบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัพรพสัตทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหนาเพราะฉะนั้นการกล่าวธรรมเทศนาและกล่าวสมุดธนิยคาถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณภระศีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความ